ทำไม่ถึงดีอยากจะพูดเรื่องการทำดีอีกสักหน่อยจบับก่อนโนนว่าไว้หน่อยหนึ่งแล้วยังไม่ครบประเด็นซึ่งตั้งไว้สามคือวิธีทำงานที่ผิดแบบทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีที่ว่าผิดแบบนั้นจะว่าใช้แบบผิดก็ได้คือ 1. ทําทำไม่ถูกดี 2. ทํทำไม่ถึงดีและ3ทํทำไม่พอดี เรื่องทำไม่ถูกดีว่ามาแล้วเหตุผลง่ายๆก็คือเมื่อทำไม่ถูกดีมันก็ไม่ได้ดียุติธรรมดีแล้วเพราะว่าเมื่อไม่ถูกมันก็ไม่ได้เสร็จเรื่องไปทีทีนี้เรื่องทำไม่ถึงดีหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าดีของงานนั้นอยู่ไกลอยู่ลึกแล้วเราทำไปไม่ถึงในบทก่อนว่าแล้วว่า งานทุกอย่างมันมีดีอยู่จำเพาะแต่ดีของงานแต่ละงานอยู่ตื้นลึกไม่เท่ากันใกล้ไกลไม่เท่ากันสมมติว่างานซักผ้าดีของมันอยู่ที่สะอาดความสะอาดนั่นแหละเป็นอัตราดีของการซักผ้าแต่ว่าในบรรดา ง, งานซักผ้าด้วยกันนั้นการซักผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่ง5านาทีก็ถึงดีคือได้ความสะอาดของผ้าเช็ดหน้าอย่างนี้เรียกว่า ดีมันอยู่ใกล้ทีนี้ถ้าเราซักผ้าเช็ดตัวผืนหนึ่งต้องใช้เวลา10นาทีกว่าจะถึงดีคือได้ความสะอาดยิ่งถ้าซักผ้าหม่มผืนหนึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลา20สินาทีจึงจะถึงดีตกลงว่าเราจะไปถึงดีของการซักผ้าเช็ดหน้าใช้เวลาหนาทีซักผ้าเช็ดตัวใช้เวลาสิบนาทีซักผ้าห่มนอน ใช้เวลา20นาทีท่านผู้อ่านเห็นตามที่ข้าพเจ้าว่าแล้วใช่ไหมงานแต่ละอย่างดีของมันอยู่ตื้นลึกใกล้ไกลไม่เท่ากันคนซักผ้าสามคนคนหนึ่งซักผ้าเช็ดหน้าคนหนึ่งซักผ้าเช็ดตัวอีกคนซักผ้าห่มนอนเขาแต่ละคนจะต้องใช้เวลาในการทำงานให้ถึงดีไม่เท่ากันแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าการใช้เวลานานเกินไป จะเป็นการดีเสมอไปก็หาไม่ผ้าเช็ดหน้านั้นเขาใช้เวลาซักกัน5นาทีก็พอถ้าใครเกิดไปนั่งขยี้ซักผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวถึง20นาทีเท่ากับคนซักผ้าห่มนอนก็เสร็จอีกคือทำงานไม่ได้ดีนี่เอาเรื่องซักผ้ามาเปรียบให้ฟังง่ายๆส่วนงานอื่นๆโปรดคิดเอาเองจะอาบน้ำจะแต่งตัวจะพูดจะเขียนและอื่นๆ ต้องรู้ระยะว่างานไหนดีอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลคนที่อยากเห็นเมืองเชียงใหม่แต่เดินทางไปหยุดอุตรดิตต์ลำปางก็ไม่เห็นเมืองเชียงใหม่คนที่ขุดบ่อเอาน้ําใช้ขุดลงไม่ถึงน้ําแล้วไม่ได้น้ําเรื่องเหล่านี้เหตุผลธรมธรมดาธรรมดาและการทํางานไม่ถึงดีแล้วไม่ได้ดี ก็ธรรมดาธรรมดาอีกเหมือนกันถ้าข้าพเจ้าจะบอกว่าในลูกมะพร้าวมีน้ำขังหวานหอมน่าดื่มท่านผู้อา่านคว้าลูกมะพร้าวมาเงื้อมีดฟันฉับเดียวไม่เจอน้ำโยนทิ้งหยิบลูกใหม่มาอีกฉับหนึ่งไม่เจออีกทิ้งอีกท่านฟันลูกและฉับและฉับแม้จะฟันไปถึงร้อยลูก พันลูกหรือฟันจนตายก็ไม่เจอน้ํามะพราะ้าวและไม่ได้ดื่มน้ำมะพราะ้าวแล้วจะลงโทษว่าข้าพเจ้าพูดเหลวไหลบอกว่าในมะพร้าวมีน้ําฟันดูร้อยลูกแล้วไม่เจอน้ําสักหยดหนึ่งอย่างนี้ใครผิดหรือถูกความจริงมะพร้ามีน้ําแต่คนฟันฟันลงไปไม่ถึงฉับสองฉับจะให้เจอน้ํามันจะเจอได้อย่างไร พระน้ำมันอยู่ลึกน้ำมะพร้าวย่อมไม่ขึ้นมาหามีดมีแต่มีดต่างหากจะต้องลงไปหามันพระสอนว่าทำดีได้ดีบางท่านบ่นว่าทำดีเกือบตายไม่เห็นได้ดีบางทีก็อาจเป็นเพราะทำไม่ถึงดีลองตรวจดูบ้างข้อบกพร่องอีกอย่างของคนทำงานไม่ถึงดีคือตัวทำได้ไม่ถึงงานมากมายทำนิดเดียว ส่วนที่เหลือเอาลมปากต่องานที่ต้องทำด้วยกำลังกายแต่เราทำด้วยลมปากคือโฆษณาเปล่าร้องเอาแทนที่คิดจะทำแต่กลายเป็นคิดพูดเมื่อทำตัวได้จริงเพียงเล็กน้อยแต่ต้องการให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าทำมากก็ต้องใช้วิธีพูดให้มากมากถ้าความจริงมีน้อยแต่เราพูดให้มันมากมากก็ต้องเอาคำเทศเข้าผสมกับคาพูด บางทีผสมเท็ดแล้วยังไม่พอต้องไปตู่เอาผลงานคนอื่นมาบวกด้วยพฤติการเช่นนี้เป็นการทำลายความดีของงานให้หายสูญไปเดิมมีน้ำปลาอยู่ขวดเดียวแต่อยากให้คนเห็นว่ามีตั้งปีบ๊บจึงเทลงผสมน้ำตั้งปีบ๊บลงท้ายก็คือคนไม่มีน้ำปลาเลยนั่นเองการที่เรามีดีอยู่น้อยแล้วละลายดีของเราลงในความเท็จนักธรรมะ ต้องเว้นเด็ดขาด